ทายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปพวกลูกหลานเหล่านี้แหละจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาพวกเราก็นับวันแก่เท่าชราแล้วก็เก็บเข้ากุเข้าลงเก็บเข้ากุเข้าโกดไปเรื่อยแหละก็จบแต่พวกเขาเหล่านี้จะต้องเป็นทายาทสืบทอดกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ที่เกิดก่อนเป็นผู้ใหญ่ควรจะสืบทอด แนวความรู้หรือว่าสืบทอดอในการกระทําให้แก่ลูกแก่หลานอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละอ่าอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกในเช้าเนี่ยเออเอ้าไปที่ใส่บาตรเอาตะกร้าม้าลูกหลานเอาไปใส่บาตรลูกหลานอันนี้หลวงพ่อวัดทานลูกหลานนักเรียนที่เขามาแล้วยืนอยู่เฉยเอยถ้าได้ใส่บาตรก็คงจะประทับใจหรือสบายใจเอือ อิ่ใจในการมาของลูกหลานแล้วก็อย่างครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหลวงพ่อว่าอันนี้เกิดเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกันท่านหัวหน้าพง์พิษเป็นประธานที่บอกกล่าวให้ลูกหลานหมู่พวกเพื่อนอย่างน้อยก็สักต้องมีสักคนหรือสองสามคนหรื อ, ม, อมากกว่านั้น ที่เห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมต่อไปภายภาคหน้าเมื่อต่อไปภายภาคหน้าครูบาอาจารย์เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็จะได้นึกเอาเป็นตัวอย่างจากนั้นก็ได้จะได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันไปอย่างพวกเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องอย่างหลวงพ่อนึกดู อย่างโรงพยาบาลอย่างนี้โรงพยาบาลศิริราชอย่างนี้โรงพยาบาลศิริราชตะกอนก็สมัยหลวงพ่อเป็นพระน้อยพัานหุ่มอยู่ที่วัดป่าบัานตาดเข้าไปใหม่ก็เห็นอาจารย์หมออวยเกศสิงห์อาจารย์หมอไพโรธสุวรรณสิทธิ์หรืออาจารย์หมออุดมโปวสกิจชนะอาจารย์หมอใหญ่ๆที่ศิริราชจากนั้นท่านก็นํานักศึกษาแพทย์ออกมาตรวจออกมาออกหน่วย ในสมัยนั้นโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะขนาดน้องบัวลาพูยังไม่มีโรงพยาบาลบ้านถือบ้านรุงอำเภอเพนอย่างนี้ไม่มีนี่แหละทางศิริราชออกมาก็มาพักค้างที่บ้านตาดจากนั้นก็ได้ออกไปหน่วยแต่ละอำเภออำเภออำเภอไปอาศัยรถของจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดแต่คุณบายจาน์ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําออกหน่วยตรวจ ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นทุกอย่างไม่นั้นก็นรู้สึกว่าพอหมอสิริราชมาก็รู้สึกว่าอบอุ่นในรับความอบอุ่นอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนในยุคนั้นพอต่อมานี่ก็นี่แหละเป็นการสืบทอดทุกวันนี้ก็ทางสิริราชอาจารย์หมอสิริราชก็ยังเข้ามาศึกษา ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานโดยสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันสืบนานเท่านานทีเดียวอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนรถไฟก็เหมือนกันอย่างรถไฟนี่ก็สมัยนะั้นท่านองค์มตรีท่านเป็นรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจากนั้นท่านก็ชักชวนกลุ่มรถไฟเข้ามาวัดวาศาสานา กลุ่มรถไฟก็เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างเหนียวแน่นไม่ล่วงกี่สิบหลายสิบปีแนละ้วแต่สมัยหลวงพ่อเป็นพระน้อยหนุ่มทุกวันนี้ก็ยังอาศัยบา ร, รมีของรถไฟที่เป็นวิศวกรวิศวกรรมดูแลการก่อสร้างสถาปนิกอันนี้ก็เป็นการสืบเนื่องมายาวนานทีเดียวหลวงพ่อว่าถ้าว่าพวกเราได้คิดกันขึ้นมาแล้วได้พาประพฤติปฏิบัติแล้ว จะต้องมีผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันนะ ม, มันต้องมีต่างเยอะแยะผู้เห็นด้วยก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นผู้เห็นด้วยนี่แหละจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปพาลูกพาหลานพาศร้าญาติโยมพาหมู่พาเพื่อนถึงจะไม่มาวัดไกลก็ไปวัดใกล้เนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวจากนั้นก็นําธรรมะมาประพฤติธปฏิบัติ ถ้าพวกเรานำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนเนี่ยสิ่งแวดล้อมทิศ ท, ท้งหนั่นแหะถ้าว่าพวกเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองครองธทำแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นสุขเพราะเอาธรรมะเป็นเครื่องนําทางนะธรรมะเป็นเครื่องนําทางถ้าเอากิเลสราคะโทสะโมหะ เป็นเครื่องนําทางแล้วหรือว่าไม่สนใจธรรมะแล้วกิเลสราคะโทสะมันมาพลาดมาเกยเองมันไม่ยากหรอกเนีมันมาลุมมาตุ่มเองเคล้ายๆว่าธรรมะเนี่เหมือนกับเราแหวกจอกแหนออกจากจิตใจของเราท่านเองถ้าเราไม่แวกจอกแหนแหนมันกับลุมเข้ามามาลุมมาตุ่มเข้ามาอีกเหมือนกันแต่เอาธรรมะเข้าไปแวกเนี่ยมันก็เห็นน้ําใสสะอาดขึ้นมาจากจิตใจนี่ก็เหมือนกัน แต่ถ้าว่าเราไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วไม่จิตใจไม่มีธรรมะแล้วมีแต่กิเลสโลภโกรลงอยู่ในจิตในใจมืดมิ ด, ม, ดมองอะไรก็มองไม่เห็นเห็นแต่แก่ตัวเห็นแต่แกพักแกพ่กแกพวกเห็นแต่ผู้อยู่ใกล้ตัวเองเท่านั้นะจากนั้นก็พร้อมพากันโลภออันนี้หลักของพรษษะศาสนาท่านให้มองไกลนะให้มองรอบทิศรอบด้าน ถ้าคนมีธรรมะแล้วจะต้องจิตใจกว้างขวางเฉลือเผื่อแผ่ปวงสาคานาญาตประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นต่อโลกอีกต่างหากเห็นไหมอย่างต่างประเทศโครงการต่างๆของของเขามูนนิธิของเข า, ข เ, ขาเขายังช่วยเหลือประเทศนั้นประเทศนี้อีกต่างมากมายทั้งที่ไม่ใช่ประเทศของเขาเขายังมองโลกขอให้โลกมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นโครงการอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะ พวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเรามีน้ำใจมีเมตตาต่อกันมีการเสียสละต่อกันสิ่งไหนที่มันจะทะเลาะวะแว้งกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะว่าพวกเราไม่ถึงร้อยปีหรอกใครจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็เก่งไปเถอะในผลี่สุดเขาจับเข้าหีบเข้าลงเข้ากุหมดนั่นแหละไม่รู้เก่งไปถึงไหนเพราะนั่น สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะเอาคุณงามความดีนั่นแหละเข้ามาอวดกันสิ่งไหนที่มันดีมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้ออื้ออารีต่อกันใครมีหน้าที่อะไรครูบาอาจารย์นักสอนนักเรียนกตั้งอกตั้งใจสอนนักเรียนให้ดีที่สุดไม่ให้มีปัญหาอย่างหลวงพ่อนี่เป็นพระ อ, อ, งองค์พระเจ้าหลวงพ่อก็จะพยายามรักษาวัดวาศาสนากฎระเบียบประเพณีแล้วก็ดูแลพระสงฆ์ ดูในครอบครองของหลวงพ่อนะ่ะให้ดีที่สุดเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักษากลุ่มของใครของเราใครมีครอบมีครัวมีลูกเต้าก็พยายามดูแลลูกสามีภรรยาให้ดีที่สุดอไม่ให้ออกนอกลูกนอกทางให้มีศีลมีธรรมต่างคนก็ต่างดูของตัวเองอย่างนี้หลวงพ่อว่าต่างคนก็ต่างระมัดระวังเหมือนกับเรามีไฟด้วยกันทุกคนอไฟมันมีทุกคน แต่ต่างคนก็ต่างรักษาไฟของตนเองอย่าให้มันไปไหม้คนอื่นเขาไฟราะฆังไฟโทสะไฟโมหะมันอยู่ในจิตในใจของเรามีแต่ถ้าว่าทุกคนเอาไฟไปเผาคนนั้นไปเผาคนนี้อไปยุแยงคนนั้นไปด่าคนนี่นี่แหละไฟโทสะนั้นมันไปเผาคนอื่นต่างคนก็ต่างมีไฟเหมือนกันกผลผลที่สุดใครไฟใหญ่กว่ากันไฟไฟของใครแน่กว่ากันทีนี้ มาเผากันโลกทั้งโลกลุกโซนไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะโลกทั้งโลกจะเย็นสงบได้อย่างไรนะให้พวกเราคิดต่างคนก็ต่างมีไฟเหมือนกันแต่ต่างคนก็ต่างรักษาอย่าให้ไฟของตนเองไปไหมไปเผาคนอื่นเขาต่างคนต่างรักษาโลกทั้งโลกสงบพรมเย็นเป็นจุกลงได้เพราะนั้นหลักคำคำสัง่งสอนของพระพุทธศาสนาคือน้าดับไฟ คือหลักเหตุผลคิดยังไงจึงจะเป็นประโยชน์ทํำยังไงจึงจะเป็นประโยชน์พูดยังไงจึงจะเป็นประโยชน์นนี้แหละหลักของพุทธศาสนาเต็มไปด้วยเหตุและผลเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านที่มาอบรมศึกษาธรรมะปฏิบัติตลอดถึงชาธาญาติโยมทุกๆคนลูกหลานทุกๆคนที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเมื่อได้ยินหลวงพ่อพูด อย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออินพูดให้คิดว่าที่หลวงพ่ออินพูดน่ะนำทำคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนานํรทมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาขยายผลมาแนะนําสั่งสอนเมื่อพวกเราฟังไปแล้วได้ยินไปแล้วให้ใช้ปัญญาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเออพูดมีเหตุผล จากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าจาใจของเรานี่แหละความสงบร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะเหตุใเพราะเราใช้หลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องชี้นาของชีวิตนะแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้อ่ า, อานอยู่เป็นวันๆเดือนๆปีๆไปอยากจะโลบก็หลบอยากจะโกรธให้ใครก็โกรธหลงงมงายว่าตัวเองจะไม่ตาย แน่เกิดมาตัวเองจะไม่ตายในโลกจักรวาลนะจะเป็นของตัวเองทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะเออพระพุทธเจ้าว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่นะท่านว่าท่านเกิดเป็นชาติโลภที่สุดท่านวะ่าไงเออท่านไม่ได้ส่งเสริมนะท่านว่าชาตินั้นเป็นชาติที่โลภที่สุดสมัยนะั้นท่านได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิชื่อว่าพระเจ้ามันธาตุราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิครองแผ่นดินที่ว่าใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแล้วก็ รู้สึกว่าปกครองก็ดีคนก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขพระอินทร์เท่นี่พระอินทรอ์อยู่บนสวรรค์เอโน่พระเจ้าจากักรพรรดนี่เป็นคนมีคุณธรรมน่าจะเอาขึ้นมาเป็นเพื่อนอยู่บนสวรรค์ก็ดีเหมือนกันนะเพราะคนอายุยืนสมัยนั้นเหมือนนพระอินทร์ก็เลยชวนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ด้วยแบ่งสวรรค์ให้ชั้นครึ่งหนึ่งพระอินทร์ครึ่งหนึ่งพญามันธาตุราชนี่ครึ่งหนึ่งแบ่งให้เพางั้นแต่พญามันทาตุราชนี่ครองทั้งแผ่นดิน แล้วนะยังขึ้นไปครองอยู่สวรรค์อีกครึ่งหนึ่งเพราะงั้นแต่สวรรค์ก็ใหญ่พอแงรงตะว่าโลกทั้งโลกก็ใหญ่แล้วเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์เพราะงั้ น, นพระเจ้าจากักรพรรดิไปด้วยจับกแก้วมันก็เครื่องบินอย่างนี้ก็มั้งแต่เครื่องบินเร็วมั้งเนีว่าไปด้วยจับกแก้วนะะไปที่ไหนไปด้วยจับเครื่องจับจับแก้วก็คงจะเป็นแบบเครื่องบินเนะี่ยแต่ว่ามันมันเกิดด้วยบุญของพระเจ้าจากักรพรรดินะไปที่ไหนก็ไปถึงไหนถึงกันเพางั้นแตะ ตอนี้เขาขึ้นไปอยู่สวรรค์พระอินทร์ก็แบ่งให้พระแบ่งให้พญามัตตุลาชตัวนั้นก็โอ๋อเราทําไม่เอาครึ่งเดียววะทําไมไม่เอาทั้งชั้นเลยโลกเราก็ได้ทั้งโลกแล้วนี่เอสวรรค์ชั้นนี้เราก็ได้จะเอาทั้งชั้นอีกเหมือนกันอทําไมจะให้พระอินทร์ครองอีกคนละครึ่งกันออมันไม่สะดวกนลยวะถ้าเอาทั้งชั้นเลยก็คงจะดีท่านก็คิดวางแผนฆ่าพระอินทร์อีกทีนี่ อยู่เมืองผีมันฆ่ากันไม่ได้เนีต่างคนต่างสเสวยบุญใช่ไหมล่ะแต่พญามันทาตุราชไปคิดฆ่าพิณพอคิดเท่านั้นแหละเอ่ออารมโมโหโทโซมั น, ช, น, น, มในใชุนขึ้นมาในใจเนอะ่อพอฉุนขึ้นมาในใจนั้นตกจากสวรรค์เลยว่างั้นเถอะเนี่ยเพราะมันเป็นบาปกลั่มเลยได้ไงเนี่ยบาปกลั่มให้ผลว่างั้นตกลงมาจากสวรรค์ลงมาสู่สวนอุทยานของตนเองเนี่ยมาสู่อุทยาน แต่อนนี้พยามันชาตรา้านขึ้นไปสู่สวรรค์นานพอตกลงมามานายอุทยานเห็นทไงเอะอันนี้เป็นใครวะเออตกลงมาแต่ไม่ตายเนะีย่ยตกด้วยบุญวะนะบุญมันบุญก็ยังอุ้มอยู่ว่ะงั้นถเถอะไม่ใช่ว่าตกต้มลงมาเหมือนตกเครื่องบินไม่ใช่วะนะั่นแหะตกลงมาแล้วก็บุญยังอุ้มโชว์อยู่เพราะเมันอก็ตกใส่เบาะอย่างนั้นนะอ่ะอพอตกลงมาแล้วก็สํานึกได้เลยแต่นะโอ้ตายฆ่านิคิดอยากจะฆ่าพระอิน ข้าก็เลยเป็นบาปอากุศลมันก็เลยตกลงมาจากชั้นฟ้าลงมาอยู่ในสวนอุทยานนายอุทยานมาดูอ้าวท่านเป็นใครทําไมมาอยู่ที่นี่โอ้นายอุทยานอไปบอกในเวียงในวังเราออกมาสิทหารขุนพลทั้งหลายออกมาเรานี่แหละคือพยามบรรทาตุราชไปบอกเดี๋ยวนี้นายอุทยานก็วิ่งอ้าวเลยว่างั้นเถอะเอไปบอกขุนพลขุนพลโอ้ใช่จริงๆ เน่ยเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราจริงๆเป็นพญาพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจริงๆที่ท่านไปอยู่สวรรค์แสนนานทําไมท่านถึงตกปรมาอย่างนี้วะพญามันธาตุราชก็เลยบอกว่าอาให้พวกทันทั้งหลายตีประกาศปล่าร้องในทิศทั้งสี่ให้นั่งรถออกไปในทิศทั้งสี่ประกาศว่าพญามันธาตุราชครอบครองในชมพูทวีปทั้งทวีปเป็นพระเจ้ า, จาก็จักรพรรดิจากนั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ แล้วไปสู่สวรรค์แล้วยังใจะจะครองสวรรค์ทั้งชั้นอีกเพราะว่าคิดไม่ดีเบาป ก, ก, กรรมเลยให้ผลก็เลยตกลงมานี่แหละเพราะฉะนั้นพวกท่านทางหลายประกาศว่าความโลภเนี่ยนัตติตัณหาสมานาทีเนี่ยอแม่น้ําเสมอตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่มีในโลกความโลภเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สินสนส้นสุดอพยามรนทาตุราษ มีความโลภมากอยู่มนุษย์ก็เป็นใหญ่ในมนุษย์แล้วขึ้นไปสู่สวรรค์ยากจะได้สวรรค์ทั้งชั้นของพระอินทร์อีกจึงได้ตกลงมาขอให้ท่านทั้งหลายประกาศให้โลกรับทราบพยามบรรธาตุราชสรุปแล้วก็คือประกาศความโง่ของตัวเองนะให้คนทั้งหลายรับทราบว่าความโลภมันไม่เป็นของดีนะถ้าโลภพอไปโลภมากลาบหายลักษณะอย่างนั้นถ้าโลภมากและลาบมันจะหายเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าโลภเกินไปเนะ้อ ให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงลักษณะอย่างนั้นละ่ะถ้าทุกวันนี้นะให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักฐานะของตนเองให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้พอเพียงกับมีความสุขแล้วถ้าโลภโหมโกนะจนเกินไปนี่แหละเหมือนกับพยามันธาตรุราชนี่แหละผลืดสุดพอประกาศออกไปพวกบริวารกับประกาศอย่างที่ว่านะ่ะคงจะมีเครื่องขยายกระจายเสียงหรือเปล่าสมัยนั้นว่างนั้นเหร คงจะปากต่อปากเป่าไปเรื่อยเหมือนกันพอประกาศตัวเองจบเลยเลยสวรรคต อ, อพญามันธาตุราชก็สวรรคตตายไปเหมือนกันไม่เห็นได้อะไรไปด้วย อ, อนอกจากบุญกระบาบที่จิตติดจิตจติใ จ, จ, จ, จ, จ, จของพญามันธาตุราชเท่านั้นแหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะความโลภไม่มีที่สิ้นสุด เ, เพราะนั้นอย่าโลภจนเกินไป ให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ในการคลองชีพแต่อย่า ก, การคลองชีพของเราให้มันขยันอดทนอุทลานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันความขยันพราะพระเจ้าไม่ให้พวกเราขี้เกียจขี้ค้านนะถ้าเป็นนักเรียนก็ขยันเรียนหนังสือถ้าว่าพวกเราไม่ขยันเรียนหนังสือพวกเราจะต้องทํางานหนักแต่ถ้าพวกเราขยันเรียนหนังสือพวกเราก็จะได้ทํางานเบาเพราะชีวิตของเราจะ เงินเดือนก็จะดีการครองชีพก็จะดีถ้าเราขยันนะแต่เราขี้เกียจขยันว่าก็ทํางานหนักเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานดีเป็นกำมังกรงกรมกรเขาเรียกว่าทำไร่ทํานาทำเพราะทำสวนอย่างเนี้ยอย่างพวกเราเห็นเนี่ยนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดดูถูกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกใบนี้โลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าว่าพวกใครก็ตามขี้เกียจมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าใครขยันมีหัวด้วยมีบุญบรารมีด้วย มันก็ต้องไปอย่างนั้นอะโลกไปนี้เป็นอย่างนั้นโลกนี้โลกหาได้เพราะงั้นเถอะหาชั่วก็ได้หาดีก็ได้หาบุญก็ได้หาบาปก็ได้หาทุกข์ก็ได้หารวยก็ได้โลกนี้เป็นโลกของเป็นโลกกลางเป็นโลกหาได้เพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรหาความโลภความโกรธความหลงก็ได้โลภโกรธหลงจริงๆถ้าหาบุญหากุศลก็ได้บุญกุศลจริงๆเพราะงั้นเถอะนี่แหละให้พวกเราหาในสิ่งที่ดีอย่าไปหาสิ่งที่มันไม่ดี เพราะนั้นพวกลูกหลานสัตยา ญ, ญาติโยมทุกๆคนเนะ้่ที่เขามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาแล้วอให้รู้จักขาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นี่แหละความพอเพียงอุทาเนะสัมปทานถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักษะสัมปทาเมื่อสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วให้รู้จักใช้เมื่อเราได้หน้าที่การงานเป็นครูบาอาจารย์แล้วอย่าไปกินเหล้าเมายาสัมเเละเทเมาในให้มันผิดกฎหมายให้เขาไล่ออกจากหน้าที่การงาน อันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่รักษาถ้าเป็นผู้รักษาแล้วก็เอออันนี้มันผิดกฎกติกากฎธรรมเนียมเขานะเราก็รักษาเอาไว้อย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ว่าอรักะสัมปทากัญยาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงามให้เลือกซะก่อนยังค่อยคบ อ, อ่ไม่ใช่ว่า เ, ออเพื่อนที่พากินเหล้าก็ไปกินกับเขาเพ้ <ๆ S 1> อเพอจะไปนั่งดูเขาอีกต่อไปก็กินกับเขาเ อ, อ่ต่อมาต่อไปอีกยิ่งกว่าเขาใช่อีก ่ความชั่วตัวนั้นคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนะคบบันฑิตคบคนพาลพาลาไปหาผิดพาและชนคบบัณฑิตก็พา น, นำไปสู่ความสุขเพราะนั่นเราให้เลือกคบกัญยาณมิตรตาสำ ม, มายชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบางเขามาเลี้ยงชีวิตของเรา หลักของพรุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าชีวิตของพวกเราจะราบรื่นอจะเป็นไปด้วยดีเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะไปใช้สเปะสป่าไม่ได้นะต้องติเตรียมพร้อมด้วยสติด้วยปัญญาอด้วยศรัทธาด้วยความเพียรประจํากายวาจาใจของเราอยู่เสมอหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าชีวิตนี้ ให้เราประคองชีวิตของตัวเองเหมือนกับไต่ลวดเส้นเดียวหรือไตเชือกเส้นเดียวคนโบราณเขาขึงเชือกให้ตึงแล้วก็คนขึ้นไปไตาบางคนก็ไตได้นะไตเดินเดินเดินไปแต่เขาต้องแข็งแกร่งมากสติปัญญาความพร้อมของเขาแข็งแกร่งมากเขาจึงเดินไตเชือกได้ถ้าไม่เจ๋งจริงก็เดินไม่ไดเ้เดินหน่อยเดียวก็ตกแล้วงั้นแ่นีก็เหมือนกันนะั่นะ ในชีวิตของเราทั้งชีวิตเราเกิดมาแล้วเนี่ยควรจะดํารงชีพเหมือนกับไต่ลวดเส้นเดียวสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราอย่าทําอย่าริธรรมอย่าเป็นถือว่าเป็นของสนุกกินเหล้าเมายาไม่รับผิดชอบในครอบครัวของเราขี้เกียจในการทํามาหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ขี้เกียจในการกินการอยู่การขยนันการใช้เงินไม่ขี้เกียจแต่ขี้เกียจในการหาะ มันจะสมะดุลกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้พวกเรานะหมั่นขยันยาการเป็นอยู่ทุกอย่างแล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมศีลธรรมกันเด้อที่หลวงพ่อได้พูดศีลห้าประการให้พวกเราเข้า ว, วัดวัดวาศาสานาศึกษาธรรมะบ้างแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมฟัง MP ็มพีสามศึกษาหนังสือธรรมะนํามาประพฤติธปฏธิบัติถ้าพวกเราทําอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่า นี่แหละชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็มีความสุขใจของเราก็มีความสุขเมื่ออายุแก่เท่าชรามาแล้วก็ระลึกถึงย้อนระลึกย้อนหลังดูก็เออเราได้ทำคุณงามความดีเราก็มีความสุขเ อ, อิบอิ่มทาง จ, จิตใจเพราะเราได้ทำทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมคือรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติพ่อแม่ดีไม่ให้ท่านผิดอกผิดใจช้าอกช้าใจ และเลือกถึงเออเราเกิดมาเนี่เราได้ปฏิบัติพ่อแม่จนพ่อแม่ล่วงรับดับขันไปเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยพ่อทำใหออ้พ่อแม่สบายใจเราก็สบายใจนี่แหละอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละ อ, อ่าเป็นวัดดำเนินชีวิต อ, อ่าโดยทางธรรมเอาทมนำนำทางในการเดินชีวิตออพวกเราจะมีแต่ความสุขความสบายใจนะเวลาจะหลับตาตายก็ ระ ล, ลึกถึงคุณงามความดีก็สบายใจไม่กระวนกระวายแบบหลับตาไม่ลงนะไม่ได้นะพอตายไปแล้วก็ยังลืมตาโถโลอยู่งัเพราะเหตุใดเพราะว่ามันหลับไม่ลงมันคิดว่าตัวเองได้ทําสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้นะแต่ถ้าว่าเราได้ทําสิ่งดีเอาไว้แล้วหลับตามิดเลยยอมรับ ใ, ในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะสรุปแล้วก็คือให้พวกเรา อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้บุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความสงบรมเย็นเป็นสุขต่อนนี้ไปหลวงพ่อกับคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อไป